ได้ที่แล้วก็น้องเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปไว้ที่จิตที่ใจที่ฐานสมาธินี่แหละกำหนดสติเลยนะอาณาปานสติตัวเองเอาอันเก่าอันเดียวนี่แหละเนี่ยเปลี่ยนไปย้ายทำได้เดือนสองเดือนมันไม่สมบถึงเปลียนทำพฤติกรรมใหมให่ทำภาวนาใหม่ฐานสมาธิเป็นเหมือนกัน ถ้ามันไม่สมบูรณ์จริงก็ได้เป็นเดือนตองเดือนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ตัง้งเปลนทางสมาธิที่ตัง้งของสมาธิที่ตั้งของสติไหมไม่ใช่ว่าวันนี้เปลี่ยนเอาที่นี่วันพรุ่งนี้เปลี่ยนใหม่มันไม่สมบูรลอย่างเงนะเอาที่เดียวจุดเดียวให้มันเป็นเดือนเป็นสองเดือนกำห น, นดจี้อยู่นั่นะ แล้วเรรู้ต้วมันจะไปไหนหรอกพุ่มไปพุ่มมามันก็สู้เราไม่ได้สู้ความเพีเยรไม่ได้มันก็สำเร็จจนจบการไม่ใช่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นพุทโธไม่ได้เปลี่ยนเป็นยุคหนอวองหนอไม่ได้เปลี่ยนเป็นสัมมาอรหังนั่นเอาอันเก่าอันเดียวให้มันชำนาญให้มันชินซะก่อน ให้เข้าใจนะที่ไม่สงบพอยายถานบ่อ ย, อยเปลี่ยนคําบริกรรมบ่อ ย, อยมันชินกําลังจะชินแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ทาให้เป็นนิสัยนะน ย, ยืนเดินนั่งนอนก็ทำอย่งนั้นแหละเป็นนิสัยนิสัยไปกว่าความเคยชินจนมันชินเมื่อมันชินแล้วโอ้ยเป็นไงทำหมดปั๊บก็ได้ขึ้นมาเลย มันไม่เคยชินวิ่งนั่น น, น้ ย, ย้ายนั่นย้ายนี่นครมโดเล่สงสัยกเกิดขึ้นนี่จิตจ๋าเอาตรงนี้จะดีไหมเอ่ยตรงนั้นจะดีไหมน้อยเตรียนว่านี่จะดีไหมนี่นักิเลสสมุทัยเคยกิเลสจบไม่เป็นสมมติเจ้าเป็นนั่นก็นดีอันนี้ก็สินั่นเป็นอะไรเปลี่ เอาเข้าใจไงเอาที่เดียวเอาจุดเดียวเอาคำวิกรรมอันเก่าอันเก่าเอาลมหายใจเก่าเนี่ยปานาไปลว่าลใหายใจเข้าปานาแปลว่าลมหายใจออกจะไปเอาอะไรอีกผู้ใหญ่มันอย่สติก็แปลว่าระลึกรู้อยู่ที่นี่หมดวิตกวิจารู้เข้ายาวออกยาวเข้สั้นออกสั้นวิจารู้เมื่อวิตกวิจารณ์ บบาลงเบาลงปีตีสูบก็เกิดขึ้นนะเขายาวเป็นยังไงเขาสั่นเป็นยังไงออกสันเป็นัไงออกยาวเป็นยังไงลงแล้วยเป็นงลงอยากเป็นยังไงลงอยากจิตก็อยากทไมถึงอยากลงละเอียดจิตทำไมถึงไม่ลอยกายแล้วจิตก็แล้ก็เบาละลเอียดลงด้วยลงให้อยากขึ้นอยากขึ้นด้วยวิติจารณเอาไมา ไม่หนีจากการขีดกับลมไม่ออกจากการมันกระเสบรู้อยากเสพบอกนะมันเสพกันอยู่อย่างนี้ไม่วางออกจากกันมันรู้กันอยู่อย่างนี้ม่ให้มันหนีอยากการรู้กันอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างที่วันแล้วเด็กเสือนดูสีไฟเขาต้มกันไฟเขาเอาไม้แห้งสองอันมาถูกันถูไปถูมาถูไปถูมาถูชาู่เร็วไม่ยอมให้ไหม ออกห่างกันเอาไว้มันไฟก็เกิดขึ้นถ้าเอาออกห่างกันปั๊บเนี่ยลมกับจิตวางห่างกันปั๊บมันก็เย็นไงไฟก็ไม่ลุนแรงลมให้ใจก็เปลี่ยนจากไม้นั้นมาอันหนึ่งจิตเราใจเราก็เปลี่ยนจากไม้มั้นมาอันหนึ่งนะมันมาสู้กันอย่างนี้มันเสียกันมันรู้กันอย่างเนี้ยาให้มันพ้าออกจากกันยาเนี่นพอยออกจากกัน ได้ไม่ได้ไม่ต้องไปคิดหน้าที่คือเอาคงุงจิตไปกี้อยู่กับลมหายใจเปลู่อยู่กับลมหายใจเมนะือนมันกับไม้ถือไฟไม้สีไฟเนี่เอาเด๋เป็นอะไรก็มันเป็นไฟนแล้วจะไม่ยอมให้ไม้ออกจากกันไม่ให้จิตกับลมหายว่างห่างออกจากกันเป็นเด็ดขาดอะไรจะเกิด อ, อะไรก็ตายก็ช่างเพระมันไม่เอาเท่านั้นนอกจากคนที่นั่งสมาธินี่เป็นลมลมตายลงเราถึงจะเอา สติเผื่อสติแล้วถึจะอยู่อะมันปกติโยดินมันเป็นอะไรไม่เอาเรนั้นแหละถ้าไม่ได้เอาไม่เลียวมาเคี่ยนล้มตาเลยล้มตาตัวเสียแบบผู้ขาเห็ุคั ก, ก เ, เลย้ยกระผมเห็ุคักเล้ยเอาไม้มนถูกกันไม่ออกสักทีเอาสติกับลงหายใจนี่ไม่ให้ออกจากกันสักทีทําไมผมไม่มีอาการสงบบ้างเย็นบันงร้ายบ้า ตราได้มาจากไหนเอาอจากไห น, นามาพูดเออม า, าไม่หรับแนะน่ไหมล่ะฮะเอาคูกันรินไหมเอามาเสียบกันอยู่ทีไหมสติจิตลสติคุมจิตบังคับจิตมาให้รู้อยู่กันบลมอย่างเดียวไม่ให้ขยายระเยอะตอว น, นี้ไปไหนปวดขาใ ห, หนะให้ดูไหมล่ะท่นห่ฮะให้ดูไหมไม่ให้ดู มันนี่นะขันธมันมันจะมาล่อมันจะล่อจิตออกนี้จะถานออกนี้อยากลมหายใจไม่ให้ดูให้ดูอะไรปวดขาให้จิตไปรู้ดูอะไรรู้ดูที่ลมหายใจมันนี่นะขันธมันมันนี่นะมันจะหลอกดึงจิตออกนะะ mm. ี้มารู้อยู่กับมันมาเสีกับมันเข้าใจได้เข้าใจอย่างนี้สําเบตปวดภาวนามันปวดขาจะเอาจิตไปดูจิตอยู่กับบั้นนี้ ลกกับเราไม่ใจ่บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยโดยไม่ใจไม่ยอมให้มาเสพเลยความคิดเกิดขึ้นไม่เกี่ยวความคิดมันเป็นอนิจจังรู้คันมาตาเกิดขึ้นแล้วประดับไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเคียงแต่ขันหามทํางานเพ่เกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปสวนมันคิดมาตั้งแต่เด็ดกจนโตถึงขนาด น, นี้เป็นคิดหาลเลยไม่เห็นมันมีตัวมีตน ม, มีอะไรขึ้นมาเลย เอาให้จิตไปรู้อยู่กับลมไม่ให้ไปรู้อยู่กับความคิดเอาใจไห้หล่ะนะความคิดเกิดขึ้นความคิดคิดกิเลสเห็นเหียนนี่เกิดทุกทวนทวนกระแสอย่าไปตามกระแสกิตกระแสกิเลสกระแสมันแยกออกให้อะไรคือมันอะไรคือคนพ่านอะไรคือบัณฑิตนะมาภาวนาอะไรคือมันอะไรคือคนพ่านอะไรคือนักป่าบัณฑิต ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะง่ายการภาวน า, าเสวนานะี่ยพระองค์บอกครับเสวนาจะาพาล้านาไม่ให้อวิิตไปเสียบกับมารเสียกับคนฆานไปเสียกับอะไรเสีแปลว่าอะไรเสีแปลว่ารู้เสวนาไ้เสี ย, สย ไ, ยไ้รู้อยู่กับบัณฑิตนักปราชญ์ บ, บัณฑิตปวดขาก็เรียกว่าขันธมารกิเลสมารขันธมาร อภิสังขารมานันเทวบุตรมนันมัตตุมานมันทั้หายจะมาล่อเอาจีบของเราออกไปนู่อยู่กับเขาหนะ่ออ่าสวนทางกั น, น, ะนะนกันควรกระแสะเข้าไปกระแสะกิเลกระแสะมานกระแสของหลบขรงปวดของลงนะทวนเขแบไปหาใครทวนเขแบ่งหาผู้รู้ทวนเข้ัญปหานะักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ลมหายใจ ถ้าจาับทาง น, นี้ได้ก็สบายควบกรวารอ่าจิตของเราจะฉลาดขึ้นพอปวดขาปะโหะมันก็เนีพ่พระพุทองค์มนันขันธ์ธมานก็นี่ยท่านไม่เสีบกับมนันก็ฟังพระพุทองค์ตัดแล้วไม่เสีบกับมนันมานั่งอยู่ไม่เสีบกับมันนั่ไม่ได้เนี่อ่าให้เข้าใจเข้าใจวิธีทำเสีบกับบัณฑิตบัณฑิตอยู่คือผู้ลูกอาศัยอยู่ที่ลมหายใจนี่ ม่เห็นน้ำปานิตดก็เปเอาเห็นลมหายใจก่อนรู้ลมเห็นเราอย่างนั้นอ้าวถูกันอย่างั้นเด้อไม่ถูไฟไม่สีไฟอสีอะไรไปสีกับความคิดติฮนะไปสีกับปวดแ่งปวดขาเดไปสีกับมันเดอไปสีกับกิเลสติไปรู้กับกิเลสติดนะลู้กับน้ำปานดีก็มันรู้กันสูบสูกันเสพกันอย่างนั้นมีหวังกันชั่วโมงกันแหละ เกิดสิ่งแปลกปรหลาดอัศจรรย์ขึ้นให้เห็นเอาเข้าใจแล้วทำตัวฟังเทศฟังธรรมนะผมทำตามตัวอย่าไปดูมันนะอย่าไปเสพกับมันนะมันจะเสียแส้แกงปอดแจ่งลำแจ้งเป็นผักเป็นแส้เป็นซีแก่งกวดแจ้งเจ็บแน่นหน้าอกสะอึศรื่นสลรพัดมันจะแําแดงแต่งเพ็ดไม่ต้องเอาจิตไปรู้กับมันเอาจิตไปรู้กับลมให้ยใจ ควรก็ไปหาลมให้ใจอย่างเดียวควรก็ไปเสพอยู่กับผู้รู้อย่างเดียวสาเร็จเท่านั้นการภาวนา น, น่ยไปแนมบนปวดแฉงปวดขามจคิดไปเสพก็มั่นไม่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าสวนทางของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครนะสุตตาวาเอวังสุตตาวาอริยสาพปกเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ขุเจ้าเอิพระพุทธเจ้าพูกเอาอยัาไปเสพกระมนันเดินเข้าใจไหมหลังฮะเอวังสุตตะวะอริยสาวกโกผู้ฉลาดทั้งหลายเมื่อได้ยินเรียกยินเอินแล้วต้องไปดามอาสุตตะวะปุชชนโนเลยัเป็นมาอาสุตตะวะแปลว่าอุะวโสแปลว่ า, ตตว า, ตตวาการยินเดีั้การเอินการเรียกปุุชนโนปุุชน ไม่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้ไม่ได้ยินเนะี่ยเทเหตี่ฟังอนี้ก็ไม่ฟังนะอน่ยสุตตาวาปุชชนน์ปุตชนก้นกิเลส น, นะไม่ยอมฟังเสียงพระพุทธเจ้าสุตตาว า, า, าอริยสาพพโกดพรอาริยะปุชละนย่อมได้ยินเสียงเอิญเสียงกูเอิญเสียงเอิญเราเปรียบเสมือ น, นคนโง่หลงป่าหลงดงหลงขันห้าอยู่นะเมื่อพระพุทธเจ้าเรียกเอิญ กูเอาขานเอานะเอวังสุตตะวะอริยสัพพโตผู้ฉลาดไปน้าพูเขาจ่าเอออย่าไปเสียบ ก, กับมานเน้ออเสวนาเน้ออันเรียกเอาเ อ, าอ่ะเขาใจไหมอเสวนาจะภาลน า, าบันติตานั้นะเสวนาให้ไปเสีบ ก, กับบัณฑิตเน้อผู้ฉลาดก็ได้ยินเสียงเรียกเสียง ล, ององยลง้องของพภูเขาจ้ารีบไปทำตามอ่าไม่ไปเสีบแล้วกับมาน ปุุ้ชนปุตุชนอสุตวาอสุตวา่าไม่ได้ยินแล้วเอ้อย่างนด้แ ม, ม, มุนบอกตะวันมันจึงต่างกันนั่งเนี่ยมันยังไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ยินเสียงพระพุทธเจา้าตัดเอาไว้อย่าไปเสียกับมารเด้อ น, นั่นนะมารคืออะไรกิเลสมานกันณฐานอภิสังค า, ม า, มามรมานเทวบุตรมานมัจจุมาน มานทั้งห้าอยา่าไเสียบกับมันเด้อเนนะี่ยมานคคยกิเลข็ขก้นพันเนะี่ยไว้เวสียบกับนักปราชญ์บัณฑิตเด้นนะอเน่นักปราชญ์บัณฑิตอยู่ที่ไหนเนะี่ยนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้อาศั ย, ย่ที่ลให้ใจเนะี่ไม่ได้คิดว่าปีนี้อย่าสงบหดถ้าดำทำาำพระพุทธเจ้าตาาัดเอาไ ว, าวา้อันนี้ อ, อสุตวาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหลวงหนอกครับ กูตุชนคนโง่คนกิเลส น, นะทั้งท้ายอยไม่ฟังเสียงแล้วอะก็แป่ไม่รูพแต่ว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนะอะก้มหน้าก้มตาหลับงูหลับตาอย่างนั้นแหละไม่ได้ยินอะไรเลยกูตุชน เ, เรียกเกินร้องเรียกมาดิเนาะมาทางนี้เนาอะอย่าไปเสียบกับมานเดาะ นี่ฮะนี่นักปามันอยู่เนี่ยมเสียกับัป่ามันดิดคือกูรู้อยู่ที่ไหนอยู่ลมหายใจเนี่นเอาิตไปเสียกับลมหายใจเด้อนี่ยได้ยินไหมหลงังเงโอ้โหหนวกตาบอดสุตตะว่าแปลว่าได้ยินในฟังอะสุตตะว่าแปลว่าไม่ได้ยินแหละทีนี้ก็สับสุดอเอาใครจะเจอ ก, กันปีนี้ยังไม่ให้เหลืออยู่สักองเลยให้สงบหมดได้ยินว่าสงบสี่้าลูกสสีูแล้ว เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูไปดูไปลมหายใจจางลงจางลงเรียวตายล่าจิตก็ล่งจิตก็เบาดูไปดูมาไม่บางเดียวกันเบาก็รู้อยู่มันนะไม่ใช่เบาแล้วจะไปดีใจเสียใจนะเบาก็รู้ว่าเบารู้อยู่นั้นไม่ต้องดีใจบางคนดีใจนะเบาแล้วเบาแล้วนะไม่ใช่นะรู้อยูเฉย ไม่ยินดียินรกจิบก็จะแนวนิ้ดิ่ลงถุงอัปนาชาลนาะไปกำหนดขัดเครื่องอยู่ดีใจเสีย ใ, ใจอยู่มันก็ไม่ไปหลอให้ภาันเข้าใจตอนนี้ลมหายใจเบาลงกายลงจะเห็นว่าลมหายใจมันสมดุลกันไม่รู้ว่าเข้าออกเห็นเป็นลำเป็นก้อเป็นกม น, นิ่มเต็ดมดูยมมเลยนะฮนิ่มละเอียดเบาลงเบาล ง, าลงนิ่ม เอาไปมาจางลงจางลงหายลมหายไปก็เรียกว่ากายนะครับกายมาถึงกายลมกายแล้วเอียดตายแล้วครับจิตก็แล้งับดับลมสังขารควา ม, มคิดคุงแต่งจิตก็เลยเป็นวิสังขาร น, นี่แหละเล่ามาเรื่องเเห็นจิตแท้ เ, ทเดิมของแล้ววิสังขารนี่แปลว่าพุทโธเป็นผู้ลู่ลู่อยู่นี่ยนี่แหละนะปัจจุบันนิดนะ นักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้นะ่ยอาศัยอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติลมหายใจยลงเบาลงจางลงหายไปเนี่ยคุมลมหายใจได้ก็ปรากฏเห็นจิตขึ้นมาเป็นความรู้รู้ ร, รู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, น, นนะรู้เฉยรู้เฉยอยู่ในเนี่ยเนี่ยก็เอาเจิตไปเสพ ก, กับผู้รู้กับนักปราชญ์บัณฑิตอย่ในเนเฮ้ยมันจะไปยากอะไรเนาะ อพอสำคัญอย่าไปเสียบกับมันแล้วกันพูดแ ย, แย่งแยะนให้มันให้เข้าใจกิเลสมนนะันมันจะล่อเอาจิตเราไปคลองล่อเอาจิตเราไปกินแล้วพูดง่ายๆเอาจิตเราไปกินแล้วเอาจิตนี้จะลมไปเอาจิตไปกินเอาจิตเราไปรู้กับเขา น, ะนี่แหละเขาเรียกว่าหมูเครนเขียกจิตของเราก็เป็นหมูแหละกิเลสพวกมานก็กล่อเอาจิตเราไป ขึ้นเขียงฟักลาบเหมือนกับหมูภาวนาหมูขึ้นเขียงนะใช่ไหมัะไรอย่างี้มีแต่หมูขึ้นเขียงมันก็เอากินแล้วไปฟักลาบเหมือนกับเขาลาบเนื้อหมูเลยใส่เขียนฟักฟักฟักกอ่าชอบไหมล่ะให้เขาไปฟักไหมล่ะขึ้นเขียงเหมือนกับหมูไหยฟักเสร็จแล้วมันก็เอาส้มมาใส่ข <music> ้าวคั่วมะฮ่อมาใส่ปรุงกินเฉยหน่อยกิเลกเอาใจล้วไปกินฮะ มาภาวนาอะไรล่ะหมูขึ้นเขียงว่าอย่างไรพวกพวกหมูขึ้นเขียงมีแต่หมูหมแล้วนั่นอย่างนี้ฮกิเลสล่อ เ, เอากิจนี้จะลงให้ใจไปขึ้นเขียงฟักเหมือนกับเนื้อหมูภาวนาแบบหมูขึ้นเขียงจบ บ, บ, งบีบขลุกอลักหอมใส่บีบผสมใส่ขลากขักหอมปรุงกินนะกิเลสเอากิจเราไปกินหมดเรางอกเลซส ล, ลาดอะไรตัวน่นะ เข้าใจว่าแมนะ่เราพูดให้ฟังนี่นนนเศกับบันดิตยกตัวอย่างให้ฟังแล้วไม้ถูไฟหนะึ่งลมก็เป็นไม้น่งจิตก็เป็นไม้่จิตกับนะลมนี่เสกกันอยู่นั่นถู ก, กันเลยไม้ถูไฟนี่แหละคนสมัยโบราณถูไม่มีไม้ขีดมืทุกวันนี้ถึงเวลาหุงหาอาหารก็เอาไม้มาถู ก, กันหรือไม่เอาไม้มาถู ก, กันก่เอาบอกปุ๋ย่นแหละบอกปรย ทำไมโอราณเห็ดบอกวุยไปสองสามบอกใบบาทอันั้นใบทมอันนี้ใบแต่ท่อมไานาเวลาจะทําไรทํานานก็เอาหรือไม่อันนั้นก็เอาขาไม้ไผ่ตาแห้งๆตาทแห้งเวลาจะก่อไฟขึ้นหุงหาอาหารก็เอาไม้ไผ่สองอันทูกันทูเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดเป็นไปง่ายเดียวขึ้นไปไปทูเล่นูช่วยพ่อช่วยแม่ตอนเป็นเด็ก ผูชาก็ไม่เกิดไฟงานผู้เร็วๆถ้าออกๆกกันฟังออกกันมันจะเย <ock> ็นนะอ่า <void> ม <juvenile> <sch> <ate> ันจะเย็นไม่เกิดเป็นไฟงายถ้านันออกกันให้มันเสพกันมันผู้กันอย่างเง้ยผู้กันอย่างเง้ยมันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นอ้มีจิตของเรามาผู้กันกับลมเสพกันมันจะเย็นนะตรงนั้นข้ามนะจิตของเราจะเยือกเย็นเป็นสมาธิเย็นลงเย็นลงเย็นลงอะไรองงเย็นลงเย็นลง ว่านส่งางของมใสขึ้นนี่จะความรู้รู้รู้เฉยอุเบกขาเอก็ได้แล้วก็เรียกว่าเราได้เจตวิมุตต์ได้สมะถะ น, น, นี่สมะถะเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของสมณะยึดจิตเรียกว่าวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็คือสมะถะพระไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีเครื่องกันสือไปในอยู่ในกุติไม่กว่าจะมี ขึ้นไปหลังเขาก็อาจจะดีถ้าเคลื่อนอยู่นี่อยู่ที่ไหนก็เย็นถ้าเอาไม้ท้ออันชูไฟอย่างนีรู้ลมเห็นเราอย่างจิตก็เย็นเย็นลงเย็นลงเย็นลๆเยียดเย็นเป็นสมาธิอยู่ตลอดกันจิตไม่ออกไปเที่ยวหาเสพอารมณ์ใคนอกจิตก็มีมีติสุขอยู่นั้นสบายยืนก็สบายเดินก็สบายนัย่งก็สบายนอน บเดินก็เดินเหมือนเดินในอากาศเรียบหาเดินตั้งแต่เช้าจนค่ำก็ไม่เหนื่อยอัศจรรย์จริงๆนะเคยเดินไวหลเดินตั้งแต่ออกจากฐานข้าวสี่โมงมาถึงสี่มงเย็นห้าโมงเย็นไม่เหนื่เดินไปเหมือนเดินในอากาศเรียบาเบาจิตมันจะเข้าเข้าออกออกรวมถึงฐานใหญแล้วกคอยขึ้น อีกน่าจะเป็นพณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเยืนกอนสบายนั่งกอสบายนั่งในอากาศเยน็นนอนนอนเสื่อเฉงแขยัหยับนอนกระดานพื้นกอได้เ บ, เบาตัวเบาตัวเมือนนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนอันยัดด้วยนุ่นและสลัีโอ้แปลกอัศ จ, จรรย์จริงๆนะอากันทําเอาอ่า กิจที่ฝึกได้แล้วยว่อดนำทักษมาทั้เมื่อไปเห็นนะั่นจะเข้าใจว่าอ๋อมาถึงบางอ้ อ, อบาง อ, อ้อเหมือนกับผู้บายการพูกจริงๆนี่นั่งก็บา่าเหมือนนั่งอากาศเบีดหันเดินก็เบา่านี่ยนะแต่เห็นเองเนาะถ้ามันสงบแล้วนี่แหละสมถะคือเครื่องอยู่ของสมณะวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของสมณะก็คือสมถะเอง ถ้าใครได้ก็โอ้ยสาบายไม่มาเกิดมา ก, มากั่วมาพุกคีดทีโมองอยู่กับโมงก็บเพื่อนเราลีบล้างบาบทรีบทำความสะอาดขอว่าจิตว่าเที่ยวรอ้อยหมดผู้ที่จิตสมองทำอะไรก็ดีหมดรีบเสร็จแล้วรี บ, ไ, บไปบัตรขึ้นไปคุณดีกุณตังวางบาัตรไม่เข้าทางเลยนะผมเดินย่อยอาหาร น, นอาหารในท้องมันย่อยง่ายเดินกับผม เบาจนหมดเดินนี่แหละพอสมควรจิตมันจะนิ่งอยากลงเป็นสมาธิเดินไปเดินมาแล้วก็พามันนั่งอยูหานนมันย่อยแล้วหนังค้อง ม, มันไม่ตึงหนังตาก็จะไม่หย่อนได้สบายแล้วก็พามันนั่งกำหนดสติอีกยูน่นะอยางให้มันได้เสียบกับมานอยู่เสียบกับบัณฑิตอยู่ไหว่าของไสว่า คำว่างเนี่เป็นศูนย์ะจายว่างนี่แต่ความรู้รรููกับความว่างอยู่น่นแหล่ของใสก้อข้อนวลแสงนวลนขพอรู้นี่องใสสว่างสวัยแล้วก็เอาจิตเข้าไปรู้อยู่ที่นั่นเันือนใช่ทีละสองสามชั่วโมงจิตพักก่อนเขา้าพอบังแล้วยิ้มตัวแล้วเหมือนกับเรานอนหลับ นอนอิแล้วก็เตะเท่มันพามันทํางานยังามันทํางานงานของจิตก็คือคิดนั่นแหละจิตพักผ่อนยังไงจิตมีกําลังจิตนุ่มนวลผู้ควรแก่การใช้งานพาจิตคิดง่ายๆแค่นี้แหละคิดไปอะไรคิดเปื่งานอะไร้ามันคิดมันค้นค้นดูกใจของมันพามันพิจารณาดูอบรมจิตสอนจิตให้มันเกิดความรู้เกิดสติปัญญา เรียกว่าที่ปรัชนาเนี่ยเราเนี่เมื่อกี้เป็นสมถะพอใจปออกจากสมถะที่มันไม่ก็จิตนุ่นนวนผู้คนในการใช้งานก็พามันใช้มันก็ใช้จิตเทำงานงานของจิตคือคิดคิดค้นหาเหตุผลคิดค้นหาเอาสติปัญญามาคิดมาค้นหาหาอะไรหาหลักฐานพยานมาประกอบจิตประกอบใจจิตนะ งอ ม, มันหลงอยู่ยก็ใช่จิตนี่แหละมาอบรมจิตมาสอนจิต เ, เรียกว่าพิปัญหามีปัสนาแปารู้แจ้งทาจิตให้รูกแก้กแจ้งรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้กแจ้งซึ่งฐานห้านี่มันหลงฐานห้าก็ให้มารู้กแจ้งซึ่งก้อนสกุลกายก้อนสกุลกายเนยดินน้ําลมไฟอากาศก้อนสกุลกายวิญญาณมันหลงเนี่ยหลงกายเนี่เรียกว่าสกายะติถิ ความเห็นว่ากายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาด้วยเนี่ยก้อนสะกดกายความเห็นผิดเอาจิตนี่แหละมาทอดก้อนสะกดกายออกแยกธาตุสีดินน้ำลมไฟออกมันหลงแค่นี้พระพุทธองค์สอนยอกวันนี้เงนะทิปัสนาเปโวลูแกนลูแกนซึ่งปัจจุบันน่ะทำไม่ให้ไปรู้อดีตรู้อดีตก็ไม่เอารู้อนาคตไม่เอาไม่รู้ปัจจุบัน ปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันนั่งทำย่อๆลงแท่นี้นะปัญญาปัจจุบันนั่งทำคืออะไรทำเพื่ออะไรที่นี่เขาทํว่าทำทำทำทั้งหลายก็คือกายกับใจทำทั้งหลายก็ย่อๆลงมาอยู่กา้กับใจรูปธรรมนามธรรมเห็นปัจจุบันนั่งทก็เห็นรูปธรรมนามธรรมนี่มันเอียงอาศัยกันเกิดนี่นี่แหะวิธีกุตรสลาของกุตรสลาโว่าณุศฎสติปัญญาสร้างสติปัญญาให้เกิดเพื่อมีขึ้น กุศลให้ถึงพร้อมสร้างความสฉเียวฉลาดให้เกิดขึ้นผุ้สลสูญให้สร้างผู้สนให้เกิดขึ้นแต่สนผู้สก็คือสติปัญญาให้มารู้แจ้งซึ่งปัจจุบันธรรมอ่าไม่ไปรู้ที่ไหนปัจจุบันธรรมขันห้าลูกกำนามลูกทำน้ทำทรมมันอีกอาศัยกันเกิดอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทการที่ลูกกำนาม อิงอะไรเกิดปัจจุบันนะค ร, รับอืำ ม, มันเกิดแล้วก็ดับเลยอะไรเกิดอะไรดับนี่แหละจะ ร, ร่วมได้ทำได้ยินแต่ว่าพระอ า, ยาโยโกลทั้งยา่าฟังภาษิตคำสอนของพระเจ้าภาษิตธรอภินันดูเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมดานี้แหละ เห็นกฎธรรมดาเห็นธรรมชาติเราจะเห็นที่ไหนหรอกขันห้างลูกดิในลูกกายของเราน่ยมีตาหูจมูกนิ้งกายใจอยู่ในลูกดิถ้าใหวัดหัวใจอย่ในลูกอเขาเรียกว่าลูกภายในมันคู่กันกับตาคู่กับลูกหูค่กับเสียงลูกเสียงเป็รถกฎทพาก็เรียกว่าลูกภายนอกลูกภายนอกกับลูกภายในกระทบกันขันภายนอกกับขันภายในกระทบกัน วิญญาณเกิดรู้ขึ้นอ่าวิญญาณเป็นของละเอียดดูยากเขียนยากเกิดอรู้ขึ้นนามสามก็เกิดนี่นามสามเกิดก็เรียกว่าลูกกับนามยิงอาศัยกันเกิดนี่ปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าอันยะมันจะปัจจัยลูกกับนามเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับเนี่เกิดแล้วก็ดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับน มัไปเห็นทีเห็นปัจจุบันเห็นมันเกิดแล้วก็ดับตายลูกเกิดลูกว่าลูกนั้นลูกนี่ก็ดับโอยยิ่งเสียงเกิดลูกว่าเสียงนั้นเสียงนี่เสียงผู้ชายผู้หญิงเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงลมเสียงไปดับนี่แหละสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับขันหตากเกิดนี่เขาเรียกว่าขันห้าเกิดเข้าใจขันหาไหเกิดแล้วก็ดับมันมันทำไมถึงดับมันเกิดเองดับเองของมัน ไม่มีใครบอกให้มันเกิดมันดับมันเกิดเองดับเองของมันเรียกว่าสัจจะอริยะสัจจะสัจจะคือความจริงเห็นธรรมเนี่เห็นความจริงคือมันเกิดมันดับอ่จี้เข้าไปเลยทีเนี่ยทําไมมันถึงเกิดเกดับถามเจ้าของบูกอายลูกแล้วทําไมมันดับลูกผ่านไปโไดีเสียงเสียงผ่านไปมันถึงดับทําไมมันเกิดมันดับหาหลักฐานพยานเกิดแล้วทําไมมันถึงดับฮะนี่แหละปัญญาอย่าไปถามใคร ถามิดเจ้าของเยมันเกิดแล้วใช่ไหมครับเสียงผู้ชายผู้หญิงที่เราชอบไม่อยากให้มันดับมันถึงทําไมมันดับเสียงที่เราชอบยินดีพอใจมันถึงไม่ดับทําไมมันถึงดับอ๋อปัญญานี่ปัญญาเห็นเกิดถึงดับเอ๋อมันเกิดมันดับมันเกิดมันตายเนี่ยตายเลื่ดับก็เดียวกันก็แสดงว่าขันห่านมันไม่เที่ยงใช่ไหมเนี มันเที่ยงไหมมันเกิดมันดับเนี่ยนะนี่แหละปัญญาเราจะเห็นถ้ามันเกิดมันดับแสดงว่ามันไม่เที่ยงด้วยขันห้าหรือใครว่ามันเที่ยงหรือไงเขาหาหลับทานพยานมายืนยันมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันแป๊บวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ลมหายใจเตอะดับไม่เที่ยงเราเรียกว่าอันนี้จำว่าไม่เที่ยงต่อนเดียวกันอแล้วก็เห็นขันห้ามันไม่เที่ยงอ่า ถ้ามันไม่เทียงเลยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เลยที่มันเกิดมันดับเลยนะมันสุขหรือมันทุกข์เลยทีเนี่ยถามเฉพองนี้แหละนี่แหละปัจจุบันเห็นปัจจุบันนั้นทอยู่เท่านั้นปัจจุบันนั้นทก็หมายถึงเอากั้นหามันเกิดมันดับอย่างนี้แหละให้มาวินธีใช้วิจัยวิจารณ์นี่แหละเห็นนิพพาสนาไม่ได้ไปดูอดีตอนาคตไม่ไปดูที่อื่นให้พากันเข้าใจอย่างนี้บรรลุเร็วๆนี่แหละ เห็นอันน e e e ี้จังก็เห็นไม่เที่ยงเห็นทุกครั้งมันเกิดมันดับมันเป็นทุกข์ขันห้ามันเกิดเองดับเองอยู่นั่นจึงเรียกว่าทุกข์ขันห้ามีตัวตนไหมเน่ยไม่มีขันห้ามบางจากตัวตนบางจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดเองดับเองเรียกว่าอริยะสัจจริงทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่คนกาหนดรู้กำหนดรู้ว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนนี้นะถ้หลว่อมีสัตว์บุคคลตัวตนนี้เราก็อุปทายออกกันห้า เรกว่าสมุทัยเเกิดทุกข์ถ้าเรามารู้เท่าอทันว่าขันหนะ้าเป็นเพียงธาตุสีมาประชุมกันเป็นรูป ก, กายเฉยๆเวทนาสัญญาก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมันเกิดแล้วก็ดับอเมืเม่อมารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้ก่อนไม่มีเจ้าของไม่มีไผู้อุปทานขันห้างเขาเรียกว่าท่ามที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิโรธท่านมันจะไปไหนเนี่ปัจจุบันเนี่ยพูดไไงออ่ายๆก็เคยเห็น ตและยานในขันหานั่นเอ ง, เ, องเห็นอนิจจังขันหานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ใต้รังพัญชาโรงไครตายเห็นลูกมันจะเห็นก็เห็นอะไรผ่านมามึงอยเห็นนะของไม่สวยไม่งามให้ไปเห็นแต่ของสวยๆงามๆที่ยินดีพอใจยังเห็นมันก็หน้านไม่ได้ออะไรผ่านมามันก็ทําหน้าที่อินทรีย์เป็นความมีความเป็ใหญ่ในการเห็นเห็นแล้วมันก็ดับ เกิดแล้วกระดับเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเกิดมันดับมันเป็นทุกข์มันเกิดมันดับมันเป็นอนิจจมันเกิดมันดับมันเป็นทุกข์เกิดเองดับเองทุกข์อย่านี้บวกไม่ให้มันเกิดไม่ดับก็ได้มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ใต้ความบัญชามันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้เราจึงมาเบื่อในในขันหะอายความยินดีดับไม่มีเหลือสิ้นอาสาวกิเลส มันจะไปอยู่ไหนฮนะง่ายไหมล่ะฮะเมื่อนะเราเห็นมันเป็นอนิจจังก็อยากว่าเกิดเอาคันห่ า, หายอยู่เมือไหร่นะเกิดมาเอาของไม่เที่ยมันเกิดเจ็บใจมันเกิดมันดับอยู่ไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตทธาตาว่ามันนะภาษาบาลีพระพุทองค์ตทธตาตทธาตทธาแปลว่าอะไรภาษาไทยไปเช่นนั้นเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับ ดับไปเช่นนั้นเอตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เช่นนั้นเอขันห้านี่คือกองทุกข์ก้อนทุกข์อ่าตลอดวันก็มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเราอย่ามาเกิดเอาไมล่ะเกิดเอาของไม่เที่ยงนะไม่มีสลายแาัญสัรนี่แหละเห็นใตรลายานในขันห้าหรือว่าเห็นอริยสัจสี่ ก็มาเห็นตรงนี้แหละจะแบ่งหาดูที่ไหนดูทุกหนขันห้ามันเกิดมันดับนี่เนี่คือทุกอริยสัจจริงเรียคือทุกคือสัจจะคือความจริงมันต้องเกิดอย่างนี้มันต้องดับอย่างนี้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา collected. แล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับนี่เนี่เห็นสัจจะเห็นความจริงเรียกว่าอริยสัจทุกคืออริยสัจจริงเนี่ย จะไปเห็นได้ไงเห็นขั้นห้าด้วยอริยสัจสีเห็นว่ามันเกิดนั้นดำจิงเรียกว่าทุกข์ไม่ได้ไป็นอยู่ที่ไหนอีกนะนี่แหละเห็นปัจจุบันนั้นทำหรือปรัชนาแต่ว่ารู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งปัจจุบันนั้นไม่ให้ไปรู้อดีตไม่ไปรู้อนาคตปัจจุบันนั้นคืออะไรทำคืออะไรทำทั้งหลายคือกายกับใจทำทั้งหลายย่อลงมาอยู่ขั้นห้า คลูกกับน้คือกายกับใจกายกับใจยิ่งอาศัยกันเกิดตาหูส์จนะมองวิ่งไก่ผมขอเรียกว่ากายหงส์มันมาเห็นลูกไปยิงเสียมาส่งไปบอกใจใจก็เกิดยินดียิงลายขึ้นมาแล้วเวทนาอิทธหลงแปลว่ายินดี อ, อนิจธาลมแปลว่ายิงลายสุขเวทนาทุกขเวทนาคนเรียกนันไม่อยู่ที่อื่นเนี่ยให้เห็นอันนี้ เห็นปัจจุบันน่ะทอยู่เท่านั้นก็พรน้ำตาไปอ่านเห็นหลวงพ่อสิทนเขียนหนังสือไปถามหลวงปู่คำบีไปอ่านเจอเท่านั้นเราก็มารู้ปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรเอาไปคิดเมื่อกี้ออกจากสมมาตรที่ใหม่ๆก็ตั้งหลวงพ่อทําขึ้นมาเอ๊คาว่าปัจจุบันนั่นหมายเอาอะไรเนาะเขียนบอกก็เขียนบอกย่อๆเท่านั้นหลวงพ่อเสียแล้ว ไม่ได้ทางหลวงพ่อหลวงพ่อที่ทนตายนีจเนียจะเราพรรษาที่สามตีบรญหาประจำปัจจุบันทไม่ออกมันก็เป็นอันเดียวกันหมดแะเดียวว่าเราให้รู้ถึงมันเกิดจิตล่างอห์ธรรมะธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมด้ธรรมชาติทำทั้งหลายคืออะไรมันก็านอย่าขอกันททั้งหลายยอนย่อออกจากขันธ้าทั้งหลายยอนย่อลงมาอยู่ขัน ทำก็คือลูกทำนท้ำทำนี้เองกัเข้าใจขึ้นมาเห็นปัจจุบันคือเห็นลูกทำนท้ำทำมันเกิดมันทับน่ไม่มีอะไรเถียงเห็นขั้นห้าเกิดดับปัจจุบันนั่นทําไมถึงเกิดดับมันทํางานลูกกำน้ำมันทานํนาทงานร่วมกันเห็นาระแสเกิดปัจจุบันนั่นหมายถึงขั้นห้าเกิดดับนี่เองลองขึ้นไปตรงกับปฏิจจสม บ, บาทิกรแส ป, ปฏิจจสมุ บ, บัต เอาใจต๊อโอ้เนี่ยยิ่มาเทสแดงให้ฟังคนฟังมาโอ้เห็นขันห้าด้วยอริยสัจสี่รู้ขันห้าด้วยอริย ส, สัจสีรู้อริย ส, สัจสีด้วยญาณสาังขหายสงสัยไม่มีใครมาโตแย่งได้ขันห้ามันเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้ยึงไปคิดถึงอ๋อพระายาโกดญท่านดวงตาย่นทงก็คือเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนเอง อะไรเกิอดอะไรดับก็ขั้นหน้าเกิดดับหนึ่งปัญญาท่านน้ำมากของเราท่านเป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาธรรมดาคืออนิจจังนี่นแหละมันไม่เทียเยนะ่ยงนี่แหละทุกขังอนัตตาเห็นธรรมดาพระกันเข้าใจนะเออนี่แหละอย่าไปเสพกำมาน เสียกับนักปราบปัญจได้เจียตตัวิุตกับปัญญาวิมุตต์เดินปัญญาเเรียกว่าปัญญาวิมุตตหยุดคนจากขันห้าปัญญาไม่ไปดูที่เอืนรู้ปัจจุบันทเท่านี้อิปัสนารู้แจงซึ่งขันหปัจจุบันปัจจุบันนั้นทก็คือขันลูกกันามคือขัน้เกิดดับขันหเกิดขันดับลูกกับนามอิอาศัยกันเกิดอัญญัญญปัจจัยปัจจัยอิงอาศัยกันเกิด เหตปจัจจัยเองอาศักันเกิดก็คือคันห้าเกิดดำเห็นมันเป็นได้นเห็นเป็นอ น, นิจจ์ทุกครั้งอนัตตาทำเอาลองไปทําดูลู่แจงวันนี้อลู่เปโซปี น, นิบินติที่มาเกิดลู่เจ้าของกายเจ้ของว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในกายไม่มีเจ้าของแต่ก่อคิดว่ากายเป็นเราเป็นของของเราเมื่อมาแจกมาแยกออกพิจนาที่คลายดู ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงกายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์อุคโภดินน้ำลงไปมาเราชมกันเฉยไม่มีตัวตนสัตว์อุกโภคในเป็นอนิจจังอุคาตาจึงเบื่อหน่ายในรูปกายแต่บบังรูปเปสุปีนิบินสตินิพพิธาหรืว่าเบื่อหน่ายเอาใบมากับ ว, วิราคะคือไม่ยิน ด, ไนดไีไม่ยินดีในกายแล้วไม่ยินดีในกันนันมันจะเกิดจะดับเท่าไรกี่วันแกี่ครังค้งว่าช่างองอน ไม่ก็ยินดียินรายกันมันกันพัน ห, าปปหน้าลูกกบนำพอสิ้นอาสาวะกิเลสว่าปไปหาอยู่ที่ไหนคิปรารนาฮะเออเอาเอาละวันนี้เอาละอล ะ, อละบรรลุแล้วเดือนไายใครความีินดีกับไม่มีเรื่องชืัห้าแล้วพอเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกคังอนา ต, ตาแล้วพ อ, เ, อ, อเข้าใจยังไ่าน้อนักเรียนบัณฑิต เขาเอื่นว่าบัณฑิตเลบัณฑิตคือนักปา่านักโซดาบันฑิตเขาเอื่นบัณฑิตเขาเรียกว่าปริญญาตรีนักปราบัณฑิตนักปราเนื้อมูน ด, นอดนักป่าเ้อ้เลยบัณฑิตคือผู้ลูกเข้าใจไหมแหละทำนะหนั้นะฟังรู้ดูเก่งเลยแนวเดียวนึงมากเทียม น, นึงมั น, ก, ก, มตต ก, นกิบเพราเาข้าใจมากทิศต่อต่าเลยเอาาจเป็นนายเป็นนายเน่ยค้นหาเดีก่อใครสงสัยอะไรอยากจะถาม มีไหมรู้จักขันห้าไหมรู้จักนักปาาผลดิตไหมเนี่ยพระโสดาบัน น, นะเขาเอา่ยานักปาาผลดิบพลดิบญาติพลดิญญาติแปลว่าลูกแปลว่าความลูกความพูดลูกพูดลูกหรือเพื่อนนักปาาผลดิตรพระโสดาบันกับผล ด, ดิบ ญ, ญาติีต่พระสักีธาข่านี่กับผลริบ ญ, ญาติโทษผลดิบญาตแปลว่าพูดลูกพูดฉลาดผลดิบญาเอกพระหน้าคา้า อัคคะมหบัณฑิศท่านเอื่อนมาพระอรหันต์ารลวเอนมัคะมหบันทิตดอกเตอร์ดอกแปรมาฝากหน่อยียงนเขาเอ่นมานอ้าพูดเล่นไป่ได้เอ๋ออ้าวเห็นหูจักเมื่อนี่หูจักนักป่าบัณฑิตบนอฮะแม่สีเอสีนี่หูจักว่าี่นักปายุไสนักปาฮนักป่าคือพลูยุไพูอฮะ ไม่อย่างผมว่าเรยยิย น, น, น, นยออยยมถักตอบถือว่าแหละฮะยุใสก็่านักปัดปัดช่วเจ้าฟังไหนเคลื่อนบริจาคเพราะเขาใจจริงเลยถ้าตอบถือโยค่อยก็นนยิ้มคือผู้ลู่หน่นะปาดคือผู้ลูนน่มันยุใสถึงไม่ค่อยทำยุในใจทิใใจ่ไปหานักปัดหาผู้ลู่โย่ในใจมันอาศัยย่ใสห้าบรเเ็นใ จ, ย, ใจย่าค้องอันนี้ฮะว่ายแสเขียนท่นานได้เยอนี่แล้วมันภาพใหน้ามันบ่าได้ยังยังนี่อธิบายแล้ว่เขา ไม่หลเนาะยุ ah, uh, uh, ่ยไปยังงูเหรอเหรอไล่ไปบันเทปนี่ถ้าไดเห็เป็นบ้าก็มันแบบเออยุ่ยนลมหายใจนี่ยนะอใจว่าจิตคือผู้ลู่เนี่ยผู้ลู่คือนักป่าอ่าอาศัยอยู่ที่ลมหายใจย่างนว่างเออมาว่างไปยังมูเหนี่ ได้ยินมาแม่สีจิต ค, คือผู้ลูกอาศัยอยู่ล่มให้ใจกันคุ้มร่มให้ใจให้จางไายให้ไปเลยเห็นจิตขึ้นมากเฉยไปให้เนี่ยเห็นผู้ลูกขึ้นมากเพราะว่าให้เอาไปเสพก็ปวดขา ป, ปวดแข้งว่าให้ไปเสพก็คุ้มคืนว่าให้ไปลูกยกุคคุ้มคืนให้มาลูกยุคก็ร่มให้ใจเอาจิตมาลูกยุคก็ร่มให้ใจเอาล่มให้ใจเป็นป้อมไม้ได้ยินไปว่านเนืนเ้อนเมื่อนการฟังนะอันเอาไปเสพก็ ปวด án, ขาเนเขาเอนไปเสียบกําหนังฮะเฮ้ยยังใส่นแม่เป็นแต่ดีใจน่เองอันมาเสียบกล็ลมหายใจเขาเออนังเสีกําหังฮะนี่หละเสียบก็นับบาทเป็นดิบเสบก็ลมหายใจยังใ่ทั้งว่าให้ลมหายใจก็คิดเสีกันยงเพือไม่สูไฟอ า, าว่าเนี่ยผู้ใดว่าท่นพอใจเยี่ยวนี่นั่งพ่อวันนังคิดกําลมเสียบกันนิ่งเสีย สติคู่จิตมันเสียด้วกับลมเสียไม่ถูไฟยังเสียลมคือไม่สีไฟนึงจิตคือไม่นึงมันมาถูกันน้องเสียถูไปถูมากกับเยือกเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาเท่านั้นทันไปถูกับพว่มขวดขามปนี่ยคือเขาไม่ถูไฟเนี้ยเอาอย่างกันมันสีมันสีลูกเป็นไฟงูวไม่เช่นฮะเนี้ยพอมันหนอยมันเย็นมันพว่มขวดมันติดตัวกันอะไรพวาั้นพ่วนมันติดตัวกันไม่สีลูกเป็นไฟไล จิตกระทำมาเสียไปกับลมเลนี่แหละที่อธิบายอยู่เนี่ยว่ีผ้าผ้าเขาใจว่าอะไร้าอย่นันะถ้าเขาใจอย่างนี่แล้วมันก็จิดสงบหมดนั่นแหะอยู่นี่ยอ่ยนานังสัมมาทิพวะอาเสวนาผ้าอะไรนั่งว่าให้จิดไปเสียก็มารเขาใจไปแบบนี้ฮะให้ไปเสียก็ไปเสีกับนักปา ร, ร์ัีส์นักปาร์ันดีส์ก็ไคือผู้รู้มันอยู่ใสนักปาร์ตันดีส่ะฮะ เออยังสั่นเนี่ยมันถีเ่เฮ็ดถือการย้อนมันบ่ได้สมาธิทังเท่าไรเนี่ยตอบกะตอบไปถูกฟังเราออไม่ละยอมมีละอนะ่งฮะเอาอย่าเอาไปเสพกับคนผ่านะ่ะเสพกับบัณฑิตก็แล้วก็บัณฑิตก็พาไปทามรรคนลในผ่านก็กิดสมบครณนมาได้พระนิพพานเยนอารมณ์พระนิพพานขึ้นมาเทนั้น มันไม่อยู่ไกลหรอกถ้าคนเข้าใจเข้าใจไหมล่ะเออยังท่านได้ไหมเอาเนี่ยพุเถ้าเนี่ยเข้าใจง่ายถ้าถามอย่างนี้มันก็เข้าใจด้วยกันหมดเวลาไปนั่งสมาธิแล้วก็เอาเจิตไปเสียกับลมหายใจเพราะนักปราชญ์คือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมล่ะเ อ, าะเอา้าวันนี้มันจะสงบคลืนนี้น่ะยังไงก็ไม่ให้ออกอนี้ไปเสียพลังเสียกำมันไม่ได้ดิดเดคาเตอรบอก อย่างนี้เราจะเอาเสพกับบัณฑิตยอย่างเดียวบัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอารมให้ใจต้องให้เสพกับลมให้ใจอย่างเดียวเข้าใจไหมถ้าเขา้าใจอย่างนี้สมาธิมันก็เกิดทันทีเราไม่เกิดก็เพราะว่าเราเอาจิตไปเสพกับม้นปวดขาเขาเอาจิตไปรู้โยคะบนเวลาควมคิดเกิดขึ้นจะไปรู้ว่าเจ้าของคิดเสียใดยคงคิดจคเจ้าของมันจะได้อะไรล่ะนะนี่ถ้าเข้าใจแล้วมันก็ทําถูกครูบาอาจารย์อธิบายโจทย์แบบปรกหัด เข้าใจหมดมันก็เวลาเรียนนักศึกษาไ่ทาแบบฝึกหัดมามันก็ทุกเข้าใจไหมหลังนะเอาบาเนี่หายสงสัยแล้วว่ามาแม่ใดเสียบอะไรอยู่นี่บ่จ้กว่านักป่าดูผู้หลูกยุ่งสถามกันคุยกันได้สนทนาทักกันเนี่ยย่ไปเนนักป่าอย่า่นว่านักป่านักป่าอย่างนัไถนักป่าอย่คู่ผู้ป่าเนี่ยใกล้ดีเนีนักป่าเนี่ยหมูเนี่เดียวนักป่าอย่างนั้นคือยังไง เอาวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะพูุมงีก็ตามปกติเอาใคเลิก